จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำภารกิจที่สำคัญของชีวิต จ, จิตใจนั่นก็คือการมาสร้างสรณะมาสร้างที่พึ่งทางใจเพราะใจนี้แหละคือตัวเราของเราแต่ใจของเราไม่ค่อยได้รับการดูแลไม่มีสระนไม่มีที่พึ่งทางใจกัน ใจของเราจึงว่าวุ่นขุนวัววุ่นวายเดือดร้อนไปกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะความหลงทำให้เราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราและสิ่งต่างๆที่เราได้มาเพื่อมาดูแลรักษาร่างกายของเรา เป็นที่พึ่งของเราแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายข้าของต่างๆที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราถ้าเป็นที่พึ่งของเราเราต้องมีความสุขต้องไม่มีความทุกข์ต้องไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งของร่างกายเช่นปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งของร่างกายแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจเพราะไม่สามารถป้องกันใจไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ สิ่งที่จะป้องกันไม่ให้ใจของเรามีความทุกข์ไม่ให้ใจของเราเดือดร้อนวุ่นวายหวาดกลัวไปกับสิ่งต่างๆนานาก็คือธรรมะคำสอนของพพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามคำสอนของพพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริง ถ้าเราศึกษาธรรมคคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอามาปฏิบัติเราก็จะมีที่พึ่งทางใจขึ้นมาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้มีที่พึ่งกันแล้วพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายนี้ท่านไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตายใจของพระพุทธเจ้าไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนเลยแต่ใจของพวกเรานี้ยังมีความทุกข์มีความเดือดร้อนกันเวล า, าร่างกายเจ็บนี้ใจก็เจ็บขึ้นมามากกว่าร่างกายเวลาร่างกายแก่ใจก็ทุกข์แทนร่างกาย เวลาร่างกายจะตายก็ทุกข์อย่างแสนสาหาัสนี่เป็นเพราะว่าใจไม่มีที่พึ่งใจไปหลงสร้างที่พึ่งของทางร่างกายเพียงอย่างเดียวซึ่งร่างกายนี้ต่อให้มีที่พึ่งดีขนาดไหนก็ตามจะเป็นที่พึ่งของเศรษฐีระดับหมื่นล้านแสนล้านหรือเป็นที่พึ่งของเขาทาง มันก็ไม่สามารถที่จะยัำย้ำความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไปได้ในที่สุดมหาเศรษฐีก็ต้องตายไปขอทานข้างถนนก็ต้องตายไปเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายร่างกายนี้เป็นของที่มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเรามาหลงยึดติดกับร่างกาย ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเราก็เลยให้ความสำคัญ <c oughs> กับร่างกายจนลืมความสำคัญของจิตใจไปเพราะไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับเรามากที่สุดก็คือจิตใจมีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่ตัดสรู้ความจริงหลา น, นี้รู้ว่าใจของเรานี่แหละ เป็นตัวที่สำคัญที่สุดของเราเพราะว่าใจของเรานี้ไม่มีวันตายทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องตายกันไปต้องหมดต้องจบสิ้นไปแต่ใจของเราไม่จบเช่นร่างกายนี้เวลาตายไปแล้วใจของเราที่เป็นผู้อาศัยร่างกายนี้อยู่ไม่ได้ตายไปจากร่างกาย ใจของเราก็ต้องไปตามอำนาจของบุญของบาปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะไปสู่สุขคติพาไปสู่สวรรค์พาให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาที่มีความสุขความเจริญถ้าบาปเป็นผู้พาไปใจก็ต้องไปเกิดในอบาย ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรดบ้างไปตกนรกบ้างพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาเป็นมนุษย์ที่มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความอดยากขาดแคลนมีสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนาน า, น า, นาเกิดขึ้นมาเพราะอํานาจของบาปที่ได้ทําไว้ทําให้ต้องมารับ บาปต่อหลังจากที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วส่วนผู้ที่มีบุญพาไปเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดมาเกิดอย่างมั่งคั่งมั่งมีมีเป็นเศรษฐีเป็นคนรวยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใส มีอาการสกคบสามสสองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานนี่คือผลที่เกิดจากการกระทาของใจถ้าทำบุญก็จะได้ผลดีถ้าทำบาปก็จะได้ผลไม่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ความจริงอันนี้เพราะใจนี้ถึงแม้ว่า จะอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เรากับมองไม่เห็นใจเราเหมือนกับร่างกายของเราเหมือนกับหน้าตาของเราถ้าเราไม่มีกระจกนี้เราจะมองไม่เห็นหน้าตาของเราว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรใจของเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะเป็นกระจกเราก็จะไม่รู้จักใจของเราไม่รู้ว่าใจนี่แหละเป็นตัวเราของเราที่แท้จริง ต้องมาเจอพระพุทธศาสนามาเจอพระธรรมคำสอนถึงจะรู้ว่าใจนี่แหละเป็นตัวเราของเราเป็นของเราที่แท้จริงเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าอะไรจะมาไม่ว่าอะไรจะไปแต่มีสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะไม่ไปจากเราจะอยู่กับเราจะอยู่แบบไหนก็อยู่ที่เรา จะอยู่แบบทุกข์ทรมานก็อยู่ที่เราจะอยู่แบบสุขอย่างสบายก็อยู่ที่เราถ้าเรารู้ความจริงอันนี้รู้วิธีที่ทำให้ใจของเรามีความสุขต่อไปเราก็จะมีแต่ความสุขอยู่กับเราไปตลอดเราจะไม่มีความทุกข์อย่างที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้วิธี สร้างความสุขให้กับใจไม่รู้วิธีดับความทุกข์ให้กับใจนั่นเองเราจึงกลับตาลัรกลับทำสิ่งตรงกันข้ามกันแทนที่จะสร้างความสุขให้กับใจเรากลับมาสร้างความทุกข์ให้กับใจวิธีสร้างความทุกข์ให้กับใจนี้สร้างอย่างไรก็คือความหลงอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้นั่นเอง เช่นอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้แหละเป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่เชื่อลองไปถามใครก็ดูก็ได้ว่าคนที่มีลาบยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์ลองเปรียบเทียบดูคนที่อยู่คนเดียว กับคนที่มีสามีหรือมีภรรยาใครจะมีความทุกข์มากกว่ากันคนอยู่คนเดียวนี้ไม่มีความทุกข์กับภรรยาไม่มีความทุกข์กับสามีแต่คนที่มีสามีมีภรรยานี้จะต้องมีความทุกข์กับสามีต้องมีความทุกข์กับภรรยาเพราะเวลาอยากให้สามีหรือภรรยาทาอะไรตามใจอยาก แล้วเขาไม่ทําตามใจอยาเวลานั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือเวลาที่เขาไม่เขาไม่อยู่กับเราเขาหายหน้าหายตาไปเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่คนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยานี้ก็ไม่ต้องทุกข์กับสามีไม่ต้องทุกข์กับภรรยาไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามจะต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอ มีลูกก็ต้องทุกกับลูกมีสมบัติก็ต้องทุกกับสมบัติมียศก็ต้องทุกกับยศมีสรรเสริญก็ต้องทุกกับการสูญเสียการสรรเสริญไปเพราะนี่คือความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในเรกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของเดี๋ยวเดียวเป็นของที่ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนได้พลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ คนที่เคยรักเราก็เกลียดเราได้คนที่เคยช่วยเหลือเราก็กลับมาทำลายเราได้เพราะนี่คือความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนีเ้เราไม่เห็นความจริงอันนี้เรากลับไปเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวเราจึงอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญ อยากได้รูปเสียงกลิธธธ่นรสผลิภัพฑ์มาเสกมาให้ความสุขกับเราแต่เวลาที่เราอยากแล้วไม่ได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเช่นคนคนคนคยสูบบุหรี่เป็นประจำพอไม่มีบุหรี่สูบนี้จะเป็นอย่างไรคนที่เคยดื่มสุราเป็นประจำเวลาที่ไม่มีสุราให้ดื่มจะเป็นอย่างไร คนที่เคยดูหนังดูละครเป็นประจำเวลาไม่ได้ดูหนังได้ดูละครจะรู้สึกอย่างไรนี่แหละคือการสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวพราเราถูกความหลงหลอกให้เราเห็นเพียงด้านเดียวเห็นด้านสุขแต่ไม่เห็นด้านทุกข์เห็นว่าได้เงินมาแล้วจะมีความสุข แต่ไม่เห็นว่าเวลาหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินเหนืออยู่แล้วนี่เป็นความสุดหรือไม่คนที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเวลาเขาหมดเนื้อหมดตัวเขาก็ไม่เดือดร้อนเช่นพระภิกษุที่มาบวชนี้ก็ไม่มีเงินไม่มีทองก็อยู่ได้ไม่เห็นเดือดร้อนไม่ต้องมาทุกข์กับการหาเงินไม่ต้องมาทุกข์กับการรักษาเงินทอง ไม่ต้องมาทุกเวลาที่สูญเสียเงินทองไปนี่แหละคือการสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราแทนที่จะสร้างความสุขวิธีที่สร้างความสุขนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบและได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นการให้ความสุขอย่างแท้จริงกับใจคืออะไร ก็คือต้องไม่หาลาบยกสรรเสริมไม่หาความสุขทางตาหูจมูกปิ้งกายให้หันมาหาความสุขภายในใจที่มีอยู่ในใจของเราแล้วรอให้เกิดขึ้นมาเท่านั้นเองความสุขภายในใจนี้เป็นอย่างไรก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่เองใจจะสงบก็ต้องหยุดความคิดรุงแต่ ถ้ายังคิดปรุงแต่งอยู่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ใจจะไม่มีวันสงบ พ, พอไม่มีความสงบก็เลยไม่เห็นความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจของเราแต่ตอนนี้อย่างน้อยถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นแต่เราได้มีคนที่เห็นแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านได้ทำใจให้สงบแล้ว ท่านเห็นความสุขที่ได้จากความสงบนี้แล้วท่านจึงนําเอาความจริงอันนี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้ถ้าพวกเราอยากจะได้ความสุขแบบนี้เราก็ต้องเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อคําสอนของพระอริยสงสารุที่สอนให้เราสละความสุข ทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกวิ่งกายด้วยการเสียสละอย่างพระพุทธเจ้านี้ก็สละราบยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกวิ่งกายสเสด็จออกจากพระราชวังสละราชทรัพย์สละร า, าชสมบัติสละราชฐานะที่เป็นราชกุมารแล้วก็ไปหา ความสงบตามป่าตามเขาอันนี้แหละเป็นวิธีที่พาให้เราไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นวิธีที่จะทำให้เราอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ต่างๆพวกเราก็สามารถทำกันได้แต่ในเบื้องต้นอาจจะต้องทำไปทีละเล็กทีละน้อยก่อนทำทีละ เช่นเสียสละเงินทองไปทีละเล็กทีละน้อยกอ่สละไปเรื่อยๆพอเราเห็นผลที่ได้จากการเสียสละททำให้ใจเรามีความสุขเราก็อยากจะเสียสละมากแล้วเราก็มารักษาศีลกันรักษาศีลกันได้เราก็จะเห็นความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลเราก็จะอยากรักษาศีลเพิ่มมากขึ้น แล้วเราก็มาลองทำใจให้สงบกันนั่งสมาธิกันวิธียะานั่งสมาธิทำใจให้สงบก็ต้องควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วิธีที่จะทำให้ไม่คิดก็คือต้องคิดอยู่ในเรื่องเดียวเช่นคิดอยู่กับคำพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวท่องพุทโธพุทโธไปในใจหรือจบดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ เฝ้าดูลงอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอใจสงบแล้วก็จะเห็นความสุขที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพอเห็นความสุขอันนี้แล้วก็จะเบื่อกับความสุขที่เราเคยได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผกอภาเพราะเราจะ เห็นว่ามันไม่ได้เป็นความสุขเพียงอย่างเดียวมันมีความทุกข์มาด้วยเวลาไม่ได้เสพรูปเสียงจิตลดโผฏฐะเช่นเวลาไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้ดูหนังดูละครเวลานั้นใจก็จะไม่สบายจะไม่มีความสุขพอเราเห็นว่าความสุขที่เราเคยมีอยู่นี้เป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาแล้วเราได้พบกับความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาคือความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็จะหันมาหาความสุขทางใจกันจะทำบุญทาทานมากขึ้นแทนที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายก็เอาบุญมาทําบุญมาทาทาน ก็จะทำให้เกิดความสุขมากขึ้นก็จะทำให้รักษาศีลได้มากขึ้นเพราะผู้ที่ใจบุญนี้จะไม่ชอบทำบาป ค, คนทำบุญนี้จะไม่ชอบทำบาปถ้าทำบุญได้มากเท่าไหร่ก็จะรักษาศีลได้บริสุทธิ์ได้มากขึ้นไปเท่านั้นแล้วก็จะมีความสุขจากการรักษาศีลมากขึ้นไป แล้วก็จะทำให้การนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี้ง่ายมากขึ้นและสงบได้นานขึ้นนี่คือการสร้างความสุขทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงค้นพบและได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความดับของความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างถาวร ที่จะนำไปสู่ความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงที่จะนำไปสู่สาระที่พึ่งที่แท้จริงผู้ที่มีทานมีศีมีสมาธิมีปัญญาแล้วจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้เลยแต่ถ้าไม่มีทานไม่มีสีไม่มีภาวนา ก็จะต้องทุกข์ไม่ว่าจะมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามไม่ว่าจะมีฐานะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามไม่ว่าจะมีคนสรรเสริญยกย่องเยินยออยู่มากน้อยเพียงไรก็ตามไม่ว่าจะมีสิ่งของต่างๆมาบำรุงมาเลอให้ความสุขกับใจมากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็จะไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ความทุกข์จะต้องมาเหยียบย่ำอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเพราะว่าราภยศสรรเสริรูปเสียงเกิงรุชโลตภาณีไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจนั่นเองที่พึ่งของใจก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาการทำใจให้สงบ แล้วก็รักษาความสงบด้วยปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความหลงเกิดจากความอยากได้าลาภยศเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผธตภะอันนี้ถ้าใจสงบแล้วจะเห็นความจริงอันนี้เพราะเวลาเกิดความอยากนี้ ความสงบหรือความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะหายไปถูกความอยากนี้มาทำลายไปความอยากนี้เป็นเหมือนไฟเป็นความร้อนส่วนความสงบนี้เป็นความเย็นพอความเย็นถูกความร้อนผสมกันความเย็นนั้นก็จะหายไปเหลือแต่ความร้อนเกิดขึ้นมา ถ้าใจไม่สงบนี้จะไม่เห็นอันนี้จะไม่เห็นว่าความอย่างนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจคนที่ไม่มีความสงบจึงไม่คิดที่จะละความอยากมีแต่จะจะทำตามความอยากเวลาอยากจะสูบบุรีก็ต้องสูบเวลาอยากจะดื่มสุราก็จะดื่มเวลาอยากจะดูหนังดูละครก็อยากจะดู ไม่กลัวความทุกข์ที่จะตามมาเวลาที่ไม่สามารถที่จะสูบได้ดื่มได้ดูได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ทรมานใจเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบุรีก็สูบไม่ได้สุราก็ดื่มไม่ได้ละครก็ดูไม่ได้ตอนนั้นจะหาความสุ ข, ขจากอะไรก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ เพราะความอยากนี้เป็นตัวที่คอยมาเหยียบย่ำทาลายจิตใจไม่ให้มีความสงบนั่นเองไม่ให้มีความสุขแต่ถ้าเรามีความสงบมีความสุขแล้วรู้จักวิธีรักษาใจให้สงบแล้วเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังมีความสุขได้อยู่เพราะว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ สร้างความสุขภายในใจให้กับเราเราไม่ต้องดูหนังดูละครเราไม่ต้องเดิมสุราเราไม่ต้องสูบบุรีเราก็มีความสุขได้ความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการมีปัญญาคอยสอนใจไม่ให้ไปหยากได้อะไรไม่ให้ไปหยากมีอะไร ไม่ให้ไปอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอันนี้แหละคือวิธีสร้างความสุขให้กับใจของพวกเราเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมาและมีผู้ที่เชื่อมีศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนได้รับความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับมาแล้วในอนดี จนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนานี้มีอายุประมาณ 2,500 กว่าปีแล้วก็มีผู้ที่สามารถที่จะตักตัวผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้มาตามลำดับเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลาผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนได้ ผลก็จะได้เช่นเดียวกับสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับไม่มีความแตกต่างกันเลยดังนั้นพวกเราไม่ต้องลังเลสงสัยควรจะทุ่มเทความเชื่อให้กับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อยา่างเต็มที่เลยจะไม่ผิดหวังถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะไม่มีที่พึ่งทางใจ เราก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปสร้างความทุกข์ทางใจขึ้นมาด้วยการอยากมีอยากเป็นอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่หรืออยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเรามีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เวลาร่างกายแก่เจ็บตายเราจะทุกข์ทรมานมากแต่ถ้าเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาร่างกายแก่เจ็บตายนี้ใจจะไม่เดือดร้อนใจจะอยู่เฉยเฉยใจจะสงบจะมีความสุขท่ามกลางความแก่ความเจ็บความตายนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะพิจิตริจารากัน แล้วช่างน้ำหนักดูว่าที่พึ่งของเราที่เรามีอยู่ในขณะนนี้มันเป็นอย่างไรมันให้ความสุขหรือมันให้ความทุกข์กับเราที่พึ่งทางใจที่พระเจ้าทรงได้รับแล้วนั้นเป็นประโยชน์อย่างไรมีคุณอย่างไรมีทุกข์หรือไม่อย่างไรถ้าเราพิจารณาช่างน้ำหนักแล้วเราก็ต้องหันมาทำตามที่พระพุทธเจ้า และภาษาวกทั้งหลายทำกันเพราะถ้าเราไม่ทำเราก็จะอยู่แบบไม่มีที่พึ่งและจะต้องทุกทรมานไปอีกยาวนานเพราะว่าความอย่างนี้จะผลักดันให้ใจของเราไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆตายจากภพนี้ก็จะไปเกิดใหม่พอไปเกิดใหม่ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใหม่ จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหยุดหาความสุขทางลาบยศเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐภะแล้วหันมาหาความสุขจากการทําทานจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิและจากการเจริญปัญญา พอเราได้ทำแล้วเราก็จะสามารถทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีอะไรผลักดันให้ไปผุดไปเกิดอีกต่อไปพอไม่เกิดแล้วก็จะไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจึงมีคำพูดที่ทรงตับไว้ว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ตราบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะจะมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาการที่จะไม่เกิดได้ก็ต้องตัดความอยากไปให้ได้ทำลายความอยากไปให้หมดได้ความอยากจะหมดไปได้ก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็คือการทำทานการรักษาศีล การนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาดังนัง้นตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าทางสู่ความสุขทางสู่ความดับทุกข์ที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนเราจะไปหรือไม่ไปนี่ไม่มีใครบังคับเราได้เราต้องเป็นผู้บังคับตัวเราเองถ้าเราไม่บังคับเราจะไปไม่ได้เพราะใจของเราไม่ชอบไปทางนี้กัน ใจของพวกเราชอบไปทางลาบยศสรรเสริญชอบไปทางความสุขทางตางหูจมูกรื่นกายถ้าไปทางนั้นก็จะไปการสู่เวียการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันหมดสิ้นถ้าฝืน บ, บังคับให้มาทางทานทางศีล ท, ทางสมาธิทางปัญญาก็จะพาเราไปสู่ความดับทุกข์ความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด จึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างสรรณะสร้างซีพึ่งทางใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและการเจริญความปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้